เหรียญกรสาบเหรียญเงินออกโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังทำด้วยโลหะเช่นเหรียญน1บาทเหรียญหบาท